พากระเรือกันกระล่อมกระแหลม <Yeah. S 1> อยาโจงก็ค่อยๆทยอยกลับเม <Yeah. S 1> ชีเยอะขึ้นเมชีจีนได้บวชหรื อ, อยังสมัยก่อนไม่มีคนอยู่เยอะ อยู่ในน้อยแต่มีความชัดเจนเรื่องการปฏิบัติ <Yeah. S 1> คุณภาพคุณภาพไม่ใช่ปริมาณเมื่อกี้เราสังเกตมีการกองทรายกองปูน <Yeah. S 1> กองกระเบื้องกระจาย <Yeah. S 1> ในช่างใหญ่เต็มตัวทำงานวางแผนอย่างดี <Yeah. S 1> ส่วนใหญ่ก็เป็นด âm รีของญาติโยม ที่มาแล้วก็เห็นว่าตรงไหนยังเป็นความไม่สะดวกก็เอือเฟื้อจนะิตใจเป็นบุญสงเคราะห์อนุเคราะห์เป็นความคิดที่เป็นจิตกุศลนะมีกุศลเจตนากุศลก็คือกุศโลบายนะ กุศโลบายที่เป็นตัวสติตัวปัญญามพาธรรมะนะมาเจ้าหลวงพ่อํำเขียนดี ด, ดีปูกระเบื้องต่อไปเราจะทำวัดกันข้างล่างบ้างมันน่าทำวัดข้างล่างช่วงเมษาหน้าร้อนเนี่ยโอ้สังกะสีมันไอร้อนนะปั้นลมมันก็เป่าไอร้อนลงไปนี่ช่วงนี้โชคดีอหน้าหนาว อย่างสบายสบายอยู่ถ้าเป็นหน้าร้อนข้างล่างนี่เย็นที่สุดจุดที่เย็นก็มีเนี่ยไตถุนสลานิหนึ่งตถุนสลานาสหน้าร้อนนี่พักสบายปฏิบัติในรื่นรมทีเดียวแล้านี้คือบุญนะีที่ญาติโยมเห็นว่าให้ทรัพยนะ์หรือว่าให้แรงกายแรงใจความคิดนะในทางที่ถูกในทางที่ควรเหมาะสม อประโยชน์ท่านเป็นไปเพื่อคนหมู่มากนะก็ได้เจตนาสร้างสรรค์นนะจนวัดป่าสกโตในรมรื่นนะครมีความสะดวกพอสมควรนะนะเป็นสังฆทานที่ให้เป็นสําหรับคนหมู่มากบุคคนะลิศทานนะให้สําหรับคนที่เจาะจงโดยศรัทธาบุคคลนะแต่เมื่อให้เป็นศรัทธาบุคคล มันก็มีการทำใจไว้มันไม่ใช่ของเราอย่างน้นอยๆก็แบ่งกันอย่างนี้มัน เ, เป็นไปเพื่อประโยชน์ตนแต่มันเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อคนหมู่มากภาษศาสนาโน้นยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้ายงานบวชอาจารย์สมใจเคยพูดไว้ชัดบรรณั้นเป็นพระที่ให้นิสัยอนุสาตสี 4, นะ่ที่เป็นสิ่งที่ต้องทำ อนุชาศีที่เป็นกิจที่ไม่ต้องทำก็พูดถึงบุญที่เป็นบุคลิกทานบอกไว้ว่าส่วนใหญ่ทยาดโยมมั่งคั่งมั่งมีใจดีเป็นบุญมนการให้เป็นบุคลิกทานกับบุคคลโดยเจาะจงก็หมายถึงว่าเรารวย เรารวยวัดก็รวยโยมรวยวัดก็รวยโยมเข้าวัดเนี่ยอย่างคุณมาลัยเนี่ยอยู่สมุทรสาครมาทั้งทีเนี่ยอาหารทะเลติบมาเต็มเลยซีฟู้ดชัดๆสุกโตมีซีฟูดนะ้ดสดๆใหม่ๆอาหารทะเลมันไม่ธรรมดานะอีกหลายคนคุณหมออย่างี้ หลายคนที่มาแล้วมันไม่ ม, มาแต่ตั ว, ตวมันมีวาสนาภนะูมิชาติกำเนิดฐานะสกุลนะก็คือความดีความงามนะแล้วก็มาทำความจริงแห่งปรากฏกันนะนะเพราะนั้นโยมรวยพระก็รวยพระรวยวัดก็รวยนะใช่ไหมโยมนี่นะจึงเป็นสิ่งที่ ควรแสดงออกต่อกันมีความคิดมุมมองแง่คิดต่างๆนําเสนอหลวงพอ่อเขียนก็อดไม่ได้ว่าเช้าพอเห็นมีการปลูกกระเบื้องให้หลวงพ่อออกเหมือนได้ไหมก็แกงไม่พูดเฉยเฉยอกัอนให้หลวงพ่อออกเหมือนได้ไหมได้ครับหลงวงพ่อทําไม่จะออกไม่ได้แล้วก็คือพอเห็นแล้วเมื่อเกิดการกระตือรือร้นต่อกัน อาตมาก็คือรุอ้นที่ทําอะไรในวัดเนี่ยทั้งหมดนะคืเห็นโยมกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติการลาพังโยมมหาความสุขกับการกินการ น, นอนอาตมาจะปฏิบัติ ท, ทําไมจะปนเปลือทําไมการเปลี่ยนแปลงต่ลออะอย่างเนี่ยมันมีผลกระทบสูงมากอย่างเช่นเรื่องพระราชาเคยฟังไหมเรื่องพระราชาเนี่ยพระราชาจะเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเซง เบื่อแล้วเกินห้องก็ห้องเดิมโต๊ะก็โต๊ะเดิมถ้วยก็ถ้วยเดิมช้อนก็ช้อนเดิมตะเกียบก็ขู่เดิมบริวารเห็นพระราชาเซิงเซิงไม่ยอมเสวยภระกระยาหารก็ถามพระองค์เป็นอย่างไรทําไมถึงไม่ยอมเสวยภรกระยาหารโอเรารู้สึกแม่อร่อยเลยกับตะเกียบคู่นี้ อยากเปลี่ยนแล้วเกินตะเกียบมันมันชินซะและ้วทำอะไรให้มันตื่นเต้นหน่อยได้ไหมไปทำเป็นทองคำมาทีตะเกียบทองคำช้อนทองคำไปอมัดก็ทูลทันทีว่าอย่าเปลี่ยนนะจะเสียเมืองอย่าเปลี่ยนมันจะเมืองแตก พระราชาก็ให้ไปทำก็ให้ไปทาใช้อำนาจทันทีไม่ปรึกษาหารือแล้วเมื่อแสดงความเห็นก็แย้งกลับทันทีด้ยอำนาจของพระราชาเผด็จการอามาตย์ก็จํายอมดยอำนาจของพระราชาไปทำตะเกียบมาให้ทําช้อนทองคำมาให้ ใช้ตะเกียบทองคำช้อนทองคำพระราชาก็ตื่นเต้นในวันแรกของแปลกของใหม่ต่อมาชักจะเบื่อเบื่อเซ็งเงแล้วก็มองไปมองมาเอตตะเกียบช้อนมันไม่เข้ากับถ้วยอามาดเอาถ้วยไปทำเป็นทองคำมาเีมจะได้เข้าชุดกัน ท่ามัดก็ต้องไปทําถ้วยมาเป็นทองคอําองเข้าชุดกันกรานี้ตะเกียบช้อนถ้วยเป็นทองคําไม่เข้ากับถ้วยใบอื่นๆจานใบอื่นๆก็เปลี่ยนมันทั้งหมดแหละในวางไม่เท่าไหร่ก็เปลี่ยนให้หมดถ้วยไม่เข้ากับโต๊ะไปทําโต๊ะทองคํามาโต๊ะไม่เข้ากับห้อง เ, อเปลี่ยนห้องอีกแต่งห้อง เอาชุดเรามันไม่เข้ากับโต๊ะอีกไม่เข้ากับห้องเนี่ย เ, เปลี่ยนชุดเอาห้องนี้ไม่เข้ากับห้องโน้นห้องโน้นไม่เข้ากับห้องโน้นเอาเปลี่ยนมันทั้งพระราชวังเลยเอาอาคารนี้มันไม่เข้ากับอาคารโน้นอีกจัดสวนประกอบด้วยมัวต่แต่งท้ายสุดอ่อนแอทหารไม่ได้ลบไม่ได้ฝึกยามฝึก ตอนสงบก็บต้องฝึกนี่ตอนสงกบก็ไปสร้างนั่นสร้างนี่สร้างนู่นตอนศึกก็ต้องลบอันนี้ศึกมาก็ไม่สนใจเพราะว่าบ้านเมืองมันยังไม่สาดเรียบร้อยงดงามท้ายสุดข้าศึกเห็นเป็นจุดอ่อนตีเมืองแตกเลย Ahmad พูดถูกไหมเพราะเราอยู่วัดอยู่วาเราไม่ได้มาสนใจ ที่จะแต่งอะไรกันมากมายแต่ว่าเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยนะเพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะเป็นพุทธบริษัทมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานะแล้วก็มีคณะคนะณะสองที่ทำงานบริหารนะมันก็ปรึกษาหารือนะแต่ที่นี่ส่วนใหญ่ถ้าปรึกษาหารือนะีมักจะไม่ได้ทำงานนะนะเพราะต่างคนต่างคิดอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้อนอีกคนนึงอนุ ร, รักษ์อีกคนนึงไม่อนุ ร, รกักษ์ เพราะนั้นงานบางทีเมื่อเห็นประโยชน์โยมคิดโย ม, โยมทำเลยอย่างกรณีที่พื้นใต้ถุนสลานี่เป็นต้นพระสงฆ์ก็เห็นด้วยก็โมทน า, านนการดำริของญาติโยมต่างๆที่เห็นประโยชน์และไทายก็คือเอามาทำอะไรเราใช้สปายะเสนาสนะที่สบายอาหารที่สะดวก อากาศที่สบายที่นี่เย็นน้ำอย่าก็ น, น้ําแข็งลถตัวเนียคนหัวลุกใจห ล, หลายๆอย่างทำมาที่สบายที่นี่ปฏิบัติธรรมใ้สบายสบายการนั่งการเดินการยืนการนอนเป็นความรู้สึกตัวหมดเลยบางทีนอนก็เป็นวิปัสสนาเดินทั้งวันเป็นสมะถะคือมันเพ่งจี้จ้องแต่ไม่ได้หมายถึงว่าผิดแต่หมายถึงว่าน นั่นคือการฝึกการหัดประสบการณ์ที่ทุกคนจะต้องเข้าสู่สมดุล <S S S yeah. ความเป็นกลางหรือการปล่อยวางเนี่ยมาใช่อยู่มันจะปล่อยได้หรอก <Yeah. S 2> จะต้องมีรูปแบบของการปฏิบัติ <Yeah. S 2> ไม่มีรูปแบบการปฏิบัติจะเป็นไปไม่ได้ <Yeah. S 2> อันนี้รับผิเชอบคำพูด <Yeah. S 2> เพราะอะไร <Yeah. S 2> ในโลกนี้ไม่มีอะไร <Yeah. S 2> ไม่มีรูปแบบ แบบไหนแหะเดชะนก็มีแบบของเดชะนเทวดามีแบบของเทวดาเปรตก็มีแบบของเปรตสัตว์นรกมีแบบสัตว์นรกอาศุลกายก็มีแบบของอาศุลกายมีแบบหมดแล้วเทมกันเรามาอยู่ในพุทธศาสนาเนี่ยเทระวัลเราก็มีรูปแบบเหมือนกันตรงโกนหัวโกนคิ้วนุ่มผมผ้าเหลืองมีรูปแบบขนาดรูปธรรมยังต้องมีรูปแบบแล้วนามธรรมไม่มีรูปแบบ จิตมันก็สัมสอนหาเรื่องมาคิดชอบคิดแบบไหนจะหลุดเป็นแบบไหนมันก็ไปแบบนั้นแหละเราก็ต้องทวนมาหาความรู้สึกในการเคลื่อนการไหวของกายเป็นรูปแบบแบบกายยาโน ป, ปัตสนาสติปัฏฐานเป็นรูปแบบดูลมหายใจเป็นรูปแบบขณะที่รับรู้ระลรู้ลมหายใจนะอย่างอื่นเราไม่ได้ทําเพราะว่าในขณะที่เรา ไหว้นะไม่เป็นนะเราไปไหว้ดูในคลื่นที่มีมลสุมใหญ่ๆด้วยเพราบางคนมีมลสุมชีวิตนะอยู่บ้านอยู่ที่ทำงานอยู่ในสังคมมีปัญหากับลูกกับหลานสังคมเศรษฐกิจการเมืองอยู่ใต้ตอเนี้จะทาในรูปแบบได้ไหมน้ำท่วมจ็จังหวัดตอนนี้อยู่บ้านแต่ทำไมอยู่ที่นีนะ่เราก็ได้ทำแบบนี้แหละ มีเวลาให้กับตัวเองเต็มที่เคลื่อนไม้เคลื่อนมือเดินจงกรมจนเกิดการวางใจมันก็ตรงไปตรงมาเราก็มีศีล5้าศีลศีลสศีล2 7นั่นก็คือรูปแบบ<ม>เพื่อเป็นกรอบเป็นกรอบให้เรารู้ว่าชุมชนนี้ควรจะใช้วิถีชีวิตอย่างไรให้งดงามแล้วก็สวยงามทำให้เกิดศรัทธาเมื่อเกิดศรัทธาก็มีคน อุปถัมภ์เทวดาอยู่ไม่ได้หรอกร้อนก้นพรมก็อยู่ไม่ได้สรเสริญสาธุสาธุสาธุเราไม่ได้เบียดเบียนใครกำลังฝึกกายฝึกใจจนกระทั่งมันมีกำลังใจเป็นพระพรหมจันทร์แล้วเราก็ออกไปช่วยโลกกำลังทุกข์เราไปทำให้เขาไม่ทุกข์ไปชี้นำไปบอก มันก็เกิดจากรูปแบบนะจนกระทางมันทําเป็นแล้วไม่ต้องใช้รูปแบบนะรูปแบบกายดูกายเห็นกายในะกายไม่ใช่สตัตรูตนหมดควเราเขานะจะเคลื่อนไวสิบสี่เชียงวัดจะดูลมหายใจนะจะทําอะไรก็ตามนะจนทางมันในรูปแบบออกไปนอกรูปแบบนะมันคือแบบจนได้ลนะ้นะก็คือดูกายนะจนเป็นรูปธรรมดูเวทนา เห็นเวทนาในเวทนาก็แบบเวทนาอยูนะดูจิตอย่างเงี้ยจะแบบไหนก็แบบดูจิตมีสติระลึกรู้หน่ยเห็นจิตเวลามันคิดเนี่ยเห็นอารมณ์เวลามันเกิดขึ้นมาในจิตในใจมีเวลาธรรมมันเกิดขึ้นมาง่วงเหงาหานอนมีปิติมีความสงบมีความสุขไม่ความเบื่อหน่ายเหนื่อยหน่ายไม่ใช่หมายถึงว่ามันถูกมันผิดแต่เป็นสภาว่าเป็นอาการที่ปรากฏ มันทำให้เกิดบทเรียนประสบการณ์ตรงท้ายสุดมันก็ผ่านมันเป็นเพียงแค่อาการเพราะฉะนังง้นมาจะเหมือนกับว่าฟังคำพูดของคนเนี่ยมันเฉยๆแล้วล่ะจะในรูปแบบจะนอกรูปแบบพันเป็นหรือเปล่า้ที่พูดเนทะ่า น, นั้นเองที่เราไม่พูดเป็นถูกเป็นผิดฟันตรงลงไปก็เพราะว่าให้คิดเราเอง ถ้ไม่ทุกข์ก็ไม่ทุกข์เอาเองแต่การที่จะบอยคนก็เชื่อว่าไอ้สิ่งที่เรารู้นําจริงเนี่ยเราไม่ได้ทําอย่างนั้นกันหรอกเพราะว่าต่างคนต่างเป็นกตระยะมิตรนะเป็นเพื่อนที่พากันเดินสู่มรรคสู่ผลนะจะเป็นการเหมือนกับว่าต่างคนต่างเป็นครูสอนซึ่งกันและกันไม่ใช่หมายถึงว่าใครไปบัตรผิดหรือว่าถูกไ ม, ไม่ใช่เนะพราะฉะนั้นรูปแบบ ้ายสุดก็คือเห็นธรรมในธรรมไม่ใช่ศัตรูตนบุคคลเราเขาเห็นธรรมเห็นกายวาจาใจของเราลนะักษณะของรูปนามขันธห้าหนั่นแหละมันเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์มากๆมันจึงไม่มีอะไรจริงอะไรปลอมหรอกมันมีแต่ศิลปะถ้ามีสติมีปัญญาทุกอย่างใช้เป็นประโยชน์ได้หมดถ้ามีสติมีปัญญาของบางอย่างดีแต่อยู่กับคนนึงอาจจะไม่ดี ขออีกอย่างไม่ดีอยู่ให้คนนะดีขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะสิ่งๆนั้นตัวมันเองไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดีมันอยู่กับใครท่าหากถ้าอยู่คนมีปัญญานะถูกจัดวางเก็บเอาไวนะ้แล้วใช้ได้ถูกจังหวะดีหมดเปินอยู่ตำรวจบอกว่าดีนะอยู่กับโจรบอกว่าไม่ดีตัวเปินไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดีอย่างเนี้ย มีอยู่กับเราอยู่กโจรต่างกันนะอยู่กับเราเราก็ไปหั่นผักของดีอยู่กับโจรเนี่ยมือก็ไปจี้ของไม่ดีมีดไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดี <Yeah. S 2> เพราะนั้นอารมณ์ในการปฏิบัติของเราทิ่มปรากฏดกันมาอารมณ์ไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดี <Yeah. S 2> ความคิดต่างๆที่เกิดเป็นเพียงแค่อาการทั้งหมดไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดี <Yeah. S 2> ความเบื่อขณะปฏิบัติเราบอกไม่ดีลองเบื่อความทุกข์ที่เราหลงทำให้มันดีเ <Yeah. Yeah. S 2> บือ่อ ที่ทำให้คนอื่นทุกว่าเราทำไมมันดีแต่ทำไมเวลามัน เ, นเบื่อปฏิบัติมันถึงเป็นตัวไม่ดีเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างขับรถช้าไม่ใช่ว่ารถช้าดีหรือไม่ดี mm hmm. ถ้าช้าถูกจังหวะมันก็ดีถ้าช้าไม่ถูกจังหวะก็ไม่ดีไปวิ่งทางด่วนมอเตอร์เวย์ลองวิ่งดูสิสี่ห้าสิบลองวิ่งดูอะไรจะเกิดขึ้น มันต้องวิ่งประมาณ 80-100-120 ถึ ง, 100 ถ, ง120 <Yeah. S 1> ถ้าเร็วเกินก็ถูกจับอีกการใช้ความเร็วสูง <Yeah. S 1> ในที่ไม่ควรใช้มันก็ไม่ดีอีก <Yeah. S 1> มันไม่ใช่ว่าเร็วดีหรือช้าดีมันอยู่ที่ว่าเราขับตรงไห น, <Yeah. S 1> นตัวนี้มันเป็นประสบการณ์ <Yeah. S 1> ความคิดทั้งหมดก็ไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดี <Yeah. S 1> คุณคิดถูกจังหวงหรือเปล่า จังหวะที่รู้สึกตัวยกมือ14บี่จังหวะตอนนี้ไม่ใชเวลามานั่งคิดเป็นเวลาที่เรานั่งสัมผัสรู้ความรู้สึกตัวเจตนาเคลื่อนเจตนาไปหวแต่เรื่องวแะงวแต่ถ้าเกิดความคิดขึ้นมาเราไม่ห้ามพราะเราจะได้เห็นว่าตัวสมมุติตัวพบตัวชาติตัวชะลาตัวมรณะคิดนละ้โกรธแล้วโลภแล้วหลงคิดแล้วรักแ ล, ล้วชัง คิดเป็นบวกคิดเป็นลบคิดแล้วสุขคิดแล้วทุกข์ไอ้ตัวสมมตินะไอ้รังของความทุกขนะ์รังของสมมติมันอยู่ตรงไหนตัวคิดเองมันไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดีแต่การที่มีสติออมันรู้เท่ารู้ทันมันก็รู้จักจัดระเบียบเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตัวความคิดเป็นตัวที่สอนทำเราจึงไม่เป็นไรปฏิบัติไปมันคิดไปรู้เท่ารู้ทันกลับมาได้นะเก่ง ได้แต้มได้คะแนนรู้แล้วรู้อีกรู้มากเท่าไหร่ความคิดมันกระดับไปมากแต่นั้นเรื่องจำกับลืมเรื่องลืมกับจำมก็จะเปลี่ยนเรื่องที่ควรจำมันก็จำเรื่องที่ควรลืมก็ลืมล ม, มันจึงไม่ได้หายไปไห น, เ, นเวลาปฏิบัติธรรมความรู้ก็คือความรู้ก็อยู่มันอย่างนั้นแหละเพียงแค่ว่ามันยังไม่จำเป็นเราแกล้งโง่งบางจังหวะตอนนั้นเอง ตรงเวลาที่ควรใช้มันก็ฉลาดขึ้นมาเพราะไม่มีใครทาก็ต้องทำต้องคิดต้องพูดต้องทำมันก็เลยนะเป็นเรื่องของความกล้าหารอาจหารนะมันเป็นธรรมทีทนะ่ผู้มีสติมีสัมปชัญญะจะแสดงออกมามีภัยแน่นอนไม่มีใครหุบปากเงียบแล้วนะไม่แสดงอาการในขณะที่ทุกคนกำลังถึงทางตันนะตรงนี้แหละ มันจึงเป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่หน้าที่สติปัญญามันพาทำท้ายสุดก็คือเป็นความถูกต้องในทุกทุกขณะแห่งวิวัฒนาการมันมีไอ้ความผิดพลาดและเกิดความชิบหายอัยนะมีข้สัญญาไฟบาลัยกันเป็นความถอยเนความเสื่อมอัปรีจันเ ล, ลยมันตรงไปตรงมาที่นี่วัดป่าสุกตัวนะมาเชื่อทุกอนว่า ดัมห υ, ลีหลวงพ่อขมเขียนที่ดําหลีสร้างวัดหรือว่าก่อนหน้าหลวงพ่อบุญธรรมนะซึ่งท่านก็ดัมหลีสร้างวัดกันโดยเหตุผลอย่างเดียวคือจะเผยแผ่กุสโลบายวิธีการหลวงปู่เทียนจิตโสโพนะอธมสรุปเองนะสรุปเองเองพราะท่านพูดตั้งแต่วันแรกที่มามาบวชอยู่ที่นี่หลวงพ่อขมเขียนนะมีอย่างเดียวคือให้ฝึกสติรู้สึกตัวมีสภาวะของผู้ดูให้ปรากฏ อาจารง ส, สินเข้าป่าไปที่วัดป่าสุกโตวัวตัญชีเลยหให้ไปเฉลิมสติแล้วอาตมาจะมาทําอะไรจะมาเอาอะไรรู้อย่างเดียวคือชีวิตมันใกล้ความตายไปทุกทีมันประมาทไม่ได้มีอย่างเดียวคือเคลื่อนไหวรู้สึกแล้วให้มันแตกฉานในเรื่องเนี้มันแตกฉานเมื่อไหร่ก็ว่นนั้นะแต่จะขอเคลื่อนอย่างเดียวเด็ดขาตรงนี้นจะขอเดินจงกรมเก็บอารมณ์ไม่มีใครพาทำหรอกสมัยก่อน เอาเองสรุปเอาเองแล้วก็พาตัวเองทำเงาเงาคนไม่มีต่างจากทุก ว, วันนี้คนมีลูกต้องคิดถึงลูกคนมีภรรยาต้องคิดถึงภรรยาคนมีพ่อมีแม่ต้องคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คนมีเพื่อนมีสังคมมีการงานมีทรัพย์ก็ต้องคิดถึงธรรมดาแต่เรารู้แล้วว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ย เราเคยอยู่กับเขานะเกี่ยวข้องกับเขาแต่แท้ส่นไม่ใช่คําตอบขชีวิตอยู่คนเดียวมั น, มนเหงามันว้าวเวทําไมไม่อิ่มอกอิ่มใจทําไมมันหมดพลังมันโหยหาไม่รู้ว่าขาดอะไรวัตถุหนึ่งสองสาบุคคลหนึ่งสองสามล้อมหน้าล้อมหลังมันไม่ได้คําตอบมันรู้ชัดแล้วล่ะว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างแล้ว ที่เป็นจุดอ่อนของชีวิตนะเพราะฉะนั้นประสบการณ์ที่มันเคยรับรู้ประทับเอาไว้ประทับใจถึงความเย็นของตัวพร ะ, ะที่เราให้ความเคารพศรัทธาขณะที่เราหมดพลังเรานึกถึงพลังของคนอื่นนึกถึงหลวงพ่อกำเคียนอย่างเงี้ยนึกถึงหลวงปู่แหวนอย่างเงี้ยนึกถึงหลวงปู่มั่น นึกถึงอาจารย์พุทธทาสนึกถึงพระผู้ใหญ่ที่ท่านใจดีเวลาเราเข้าใกล้สัมผัสมีความเย็นมีความอ่อนโยนมีเมตตาธรรมท่านทำอะไรทำไมท่านทำงานทั้งวันแต่ท่านดูมีพลังเสมอต้นเสมอปลายเราไปเจอที่ที่ไหนก็ตามไปเจอตอนไหนก็ตามมันเหมือนกับพลังของท่านเข้าฟุดมาอยู่ในตัวเรา ว่หลายคนให้สังเกต ด, ดูอาตมาเคยสังเกตหลายครั้งเวลามันท้อแท้ทหมดกำลังใจมันมีนะเวลาเราปฏิบัตินะเพราะว่าหาเพื่อนนะหายากเพื่อนตายนะหายากที่สุดภาษาโบราณท่านพูดไว้ว่าอะไรเพื่อนมีหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่า มีเพื่อนคิดลิศยาใช่ไหมมีหนึ่งน้อยเกลือมีหนึ่งน้อยได้ราคาดียงังยังดีกว่าน้าเค็มเต็มทะเลจำไม่ก็ได้แต่รู้ว่าอะไรก็ตามที่มันทำแล้วก็นหนึ่งเดียวนะตรงนั้นอะม่มีพลังมากๆรู้สิ่งใดรู้ยิ่งแต่สิ่งเดียวฝึกเชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลนะมีความเชื่อ ว, ว่าสิ่งที่พ่อพูดมันจะต้องเป็นอะไรบางอย่างเป็นรหัสปิจนารมที่บอกให้เราเนี่ยเดินตาม ตัวท่านพูดบางทีท่านไม่ได้พูดแต่ท่านแสดงอะไรบางอย่างเป็นความเย็นอย่างเช่นมีครั้งหนึ่ง่เคยเดินจุกลมเดินเก็บารมเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปเอาจริงเอาจารยะเป็นคนเอาจริงอาจารนะเวลาทําอะไรเนี่ยทาไม่เสร็จไม่เลิกถ้าเสร็จมาไหไรแล้วก็ว่ากันเรื่องอื่นเรื่องที่หลังเรื่งนั้นนะหลวงพ่อเนี่ยท่านไม่ได้เดินไปเดินมา ไม่ได้เดินมาเดินไปเก็บาลมเข้มของสุกโตเนี่ยมันเป็นดัมบลีของญาติโยมที่มาเข้าคอร์สประจําเดือนกันแล้วก็มันต้องพูดกันซ้ําๆำซักแรกคนใหม่ๆมันมาก็จต้องค่อยๆสร้างศรัทธาจนกระทั่งเห็นความสําคัญของการปฏิบัติในรูปแบบแล้วก็ค่อยพูดถึงอารมณ์ปฏิบัติเทคนิคปฏิบัติต่อมันใช้เวลาหลายวัน345ี่ห้วันบางทีละท้ายสุดบางคนก็มีปัญญาบางคนก็ปัญญายังไม่มี อย่างเงี้ยก็ทำงานเวณนสิบสิบปีเพราะได้คนที่ตั้งใจปฏิบัตินจำนวน 15% ตถึง 30% อนตอนนี้ประมาณ 30% ที่เห็นว่ามาทุกคอร์สคนเก่าเก่านะเราก็จะปล่อยให้ไปทำเลยรั่วปีหนึ่งมาเจินครั้งหนึ่งทนะําทำเต็มที่นะเช้ายันเมื่อเช้ายันเมื่อเก้าวันวันมาวันกลับไม่ต้องนับแล้วก็เหลือ7วันพอดีทำเต็มที่ปรากฏได้อารมณ์ปฏิบัติกันในปีที่สอง หลวงพ่อมาร่วมด้วยใช้ลานหินโคง้งตอนนั้นยังไม่เป็นลานหินโค้งนะอัตมาก็เอาวาปีเนี้จะนอนให้มันง่ายที่สุดเลยเอาประตูไม้ไผ่สานนะมาปูนอนปีนี้เราจะอยู่แค่ผ้าสามผืนเป็นพระจริงๆไม่เออะไรมาทั้งนั้นนะดูซิว่าปฏิบัติมันจะเป็นยังไงเอาฝาบาทเป็นหมอนหนุนฝนตกหนักได้ปีนั้นเลย จีวรนี่เป็นผ้าหม่มคลุมเอาประตูในวางลแล้วก็ น, นอนบนนั้นนะ่ะฝนตกทําไงก็ไปเดินหาปลติกไปเจอนะเดี๋ยว่าจะไม่ฝนก้ายแล้วดูดิมันจะอยู่ได้ไหมไปเจอปฏติกเอาปฏิกมาปิดข้างบนจีวรแล้วก็ น, นอนตากฝนเป็นอย่างนั้นปนระากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งวันนั้นฝนไม่ตกแดดออกหลวงพ่อไม่เดินหลวงพ่อมานอนอยู่ข้างหน้าอตาตมาแล้วนอนมีแดด ตัวสมองพิเภกละกระแสงส่งไปลำไรลำไรหลวงพ่อนอนกระดิกเท้านอนหันเท้าใส่เราด้วยกระดิกด้วยเราดูนี่เราคลายเลยนะเห็นหลวงพ่อนอนนี่มันสบายใช่ไหมเรากำลังเดินมาหลายวันเลยหลวงพ่อนอนจะเป็นวิปัสสนาะเราเดินนี่เป็นสมะถะเดินจะเอาอะไรกัไไปแล้วมันมีปัญญาเกิดขึ้นมาเห็นครูบาอาจารย์นิมิตของครูบาอาจารย์ มันก็เลยมันกับว่าเป็นบรรยากาศเป็นเรื่องที่ต่างคนต่างช่วยกันไม่ใช่ต่างคนต่างฉุดมันไม่ใช่วิชาฉุดมันเป็นวิชาช่วยต่างคนต่างช่วยกันเป็นบรรยากาศสิ่งแวดล้อมมีการปฏิบัติจนกระทั่งมันได้สัมผัสจริงๆเรื่องอื่นจะเป็นเรื่องที่ลองในความเห็นอาตมา เรื่องการเดินจงกรมการสร้างชังวะในรูปแบบเป็นเรื่องหลักแต่ว่าต้องอาศัยการยามิตรหรือว่าครูบาอาจารย์ช่วยเท่านั้นเองจิงจะผ่านไปเป็นเรื่องเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดจริงๆโดยโดยเฉพาะสภาวะของอารมณ์เบื้องต้นนิวรณธรรม เ, เกิดแน่นอนไม่มีใครที่ปฏิบัติแล้วจะไม่มีนิวรณธรรมเกิดขึ้นมานิวรณธรรมก็คือธรรมที่เป็นด่านการจิต ด่านกั้นจิตไม่ให้เราบรรลุถึงกุศงามความดีต่อไปไมันจะขวางแล้วก็แช่ความง่วงเหงาหงนอนที่เหนจะมีแทอันนี้จะผ่านได้ถ้าจิตมีพลังผ่านได้เลยมีกําลังของสมาธิจะผ่านทันทีสมาธิมันจะเป็นตัวปิติมีความสงบเป็นสัมมานะแต่จะเป็นมิจฉาง่วงปั๊บมันเข้าไปจมเลยอยู่กับความวง่วงอันนี้ก็นั่งจะปะงกทั้งวัน เขาอิ่มเมื่อไรก็ปล่อยไปนะเราก็นึกว่าเออพระไตรลักษณนะ์หรือว่าการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะเรามีปัญญาเราเห็นไม่ใช่นั่นแะหะคือถูกครอบงำนะจน ก, กระทั่งมันคลายไปมันอิ่มมันอิ่มแล้วก็ไปแล้วมันเองเดี๋ยวมันก็มาใหม่ประเภทนีนะ้แต่ถ้าหากว่าเป็นสตนะิหรือว่าเป็นสัมมาสติหรือว่าสัมมาสมาธิจะเป็นตัวตื่นมาแทน ตัวสงบเกิดกายละพตาจิตตาลุตาเกิดขึ้นแหมซ้อนนะมันจะลื่นเลือนกับการปฏิบัติมีจิตปลาโมดนะจะทําได้เรื่อยๆตัวนี้นตัวง่วงจะไม่ค่อยมาเพราะว่ามันเป็นเรื่องของพุทธศาสตร์ไม่ใช่ไสยศาสตร์มันก็ผ่านทันทีประผ่านได้ครั้งก็ผ่านตลอดถ้าเป็นผ่านด้วยสัมมาสติสัมมาส ม, มาธนะิแจ้งเลยมันไม่มีหรอกจะไปนั่งง่วงง่วงซึมซึ ม, ซมไม่มีเพราะลมรูปนาม น, นะส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องปัญญาที่เลยระดับของนิวรธรรมขึ้นไป เรื่องการเรื่องปัจบาทเรื่องความคิดอย่างนี้นมันไม่มีนะปฏิฆาปริพ o เนี่ยมันจะน้อยลงเพราะาเราเห็นจริงในเรื่องของปัจจุบันขณะเห็นจริงเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกจิตอยู่กับปัจจุบันที่ฐานกายวันนั้นทำมาลมมันครอบไม่ได้มันก็เห็นอย่างนั้นนะความหดหู่ความเสื่องซึมเบื่อเซ็งมันผ่านได้ ถ้ามีกําลังใจระดับที่เรียกว่าสมาธิมันเกิดขึ้นมารู้สึกตัวรู้สึกตัวการเคลื่อนไหวรู้สึกตัวยิ่งพอมันเกิดปัญญาผ่านได้ผ่านแล้วผ่านเลยมาวับเห็นทันทีมันไม่ใช่เป็นกลางมันเป็นภาวะของสติตื่นรู้บางทีมันมาต่ำต่ำบางทีก็มาแบบข้างหลังมันไม่ได้อยู่ข้างหน้าแต่พอรู้สึกตัวอยู่ปัจจุบันมันอยู่ข้างหน้าทันทีเราเดินผ่านหน้าไปแซงความง่วง ความ่วงอยู่ข้างหลังไว้นู่นนี่วัลธรรมความลงเเลสงสัยไม่มีหรอกทำไปทาไมทำถูกทำผิดเฮ้มีพระมันรู้อยู่เราไม่ทุกกระดานนั้นนะี่ตอน ใ, ใครมาบอกก็ททำถูกทำผิดไม่ต้องมันบอกเองมันเป็นเรื่องของเรามันเป็นประจตังกรู้ได้โดยตัวเองเป็นอาการลิโกไม่จำกัดการอย่างรู้มาอะไรอยากเป็นปกติมาอะไรก็กลับมา สุขสุขทุกๆ ก, ก็คือเผลอไปอย่างเงี้ยเข้าไปในความคิดมาเลยอดีตนาคตมาเลยก็เป็นสุขเป็นทุกข์นีเพราะน่าอดีตนาคตเป็นของดีนะแต่ว่ามันมาให้เรารู้ปัจจุบันก็เป็นของดีนะมันทําให้เลยอดีตนาคตแล้วเราก็ต้องวางด้วยเนี่ยพอท้ายสุดแล้วนะไม่มีจริงไม่มีพรมมีแต่ศิลปะในการปฏิบัติมีแต่ประสบการณ์ในการปฏิบัติการเดินทางเออใกล้ก็ไปใกล้ก็ไป ผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านเลยผ่านเลยอะไรที่เรียกว่าทุกอะไรที่เรียกว่าไบายะภู ม, ม, ะ ม, ะมิมันก็ผ่านไปผ่านไปอะไรเรียกว่าเทวดามก็ผ่านไปอะไรเรียกว่าผมมันก็ผ่านไปอะไรที่เรียกว่าพระอ๋อ oh. จิตปกติรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันก็พบแล้วพบแล้วเราก็เลยบวชกันไม่เกี่ยวกับก น, นหัวกลอนคิ้วหนุ่งผ้าเหลืองผ้าขาว ผมยาวผมดำผมอะไรก็ตามเถอนะกิเลสไม่ได้เลือกชุดนะความทุกข์ไม่ได้เลือกชุดเราก็เลยไม่ต้องรอขณะนี้เราเรียนรู้วิชาเดียวกันนะก็คือเคลื่อนไหวรู้สึกนะจะรู้อะไรก็รู้ไปเถอะลมหายใจก็ได้ท้องพองยุบก็ได้ถ้ารู้ถูกรู้เป็นนะจริงๆแล้วมันก็รู้ทั้งหมดแน่ปนนนะระจิตมันเกิดความว่องไวขึ้นมาการเคลื่อนกันไหวมันก็รู้ นะรู้กายที่มันกาลังเคลื่อนไหวลมหายใจกับพิภตามันรู้มันไวนะลมมากระทบสัมผัส ม, สมันก็รู้มันรู้ทั่วสัลผังกายนะถึงตรงนี้แล้วจิตมันมีพลังแน่นอนทุกคนนะแล้วก็มันไม่มีร ล, ลังเลสงสัยนะวิชิกิจฉามันไม่มีถนะีนมิตะก็ไม่มีนะหดหูง่วงนอนนะไม่มีวิชิกิจฉาก็ไม่มีการมัาบาทก็ไม่มี แล้วมันมีอะไรมันก็มีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวที่เตือนรู้เตือนรู้เตือนรู้เงี้ยมันก็เลยมีพลังเมื่อเรารู้อย่างนี้มันจะเฉยได้ยังไงมันต้องเป่าประกาศชวนมาชวนมามาดูกันมาดูกันมันมีอย่างนี้อยู่ด้วยสภาวะที่มันไม่ทุกข์ไปกาอะไรกาอะไรมันมีจริงๆอย่างเงี้ยมันก็จึงเป็นลำดับของอารมณ์ธรรมเป็นขั้นตอนของการปฏิบัต สีหพระหา้ามเกิดขึ้นมาก็แจ่มจะอยู่ตรงไหนจะนั่งรถ ล, ลงเรือไปเหนือลองใต้มันก็เป็นตัวปฏิบัติถึงตรงนั้นมันก็ไม่ใช่รูปแบบแต่ว่ามันก็คือรูปแบบการเคลื่อนการไหวนะั่นแหละของกายที่เราเจตนาทำไม่ต้องเจตนามันก็รู้น ะ, ะก็พูดให้ฟังเห็นว่าสมควรเก็บเวลาการาพพร้อมกัน